เสียงอ่านหนังสือเตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัวเล่มหนึ่งงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉคำตอบที่จะกลายเป็นเสบียงกลังสำหรับผู้อย่างเดินทางไม่สิ้นสุดขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้นำเสียงเปียโนมาประกอบเสียงอ่านนะครับและขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณรุ่งทิพดวงพยับที่กรรณาทรงต้นฉบับมาให้อัดเสียงนะครับคาโปรยหน้าปก ใบไม้ที่ร่วงหล่นดังสังขารที่ร่วงโรยเสียงระฆังก้องกังวานเป็นสัญญาณแห่งความหมายหนทางข้างหน้าแสนยาวไกลรู้ตัวเตรียมใจได้สติมุ่งสู่แสงสว่างณปลายฟ้านโน้นหัวข้อแรงบันดาลใจเล่มหนึ่ง เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเป็นชื่อคอลัมน์ตอบปัญหาเกี่ยวกับกา ร, รวิบากซึ่งผมเขียนทยอยลงอย่างต่อเนื่องในนิตยสาราบางกอกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่2418เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคำถามกับคำตอบทั้งหมดในการรวมเล่มเป็นหนังสือครั้งแรกนี้เรียงตามลำดับและไม่มีการจัดหมวดหมู่เพื่อรักษาความเรียบง่ายและเปิดโอกาสให้เลือกอ่านได้ตามใจชอบโดยไม่จาเป็นต้องมีการปูพื้นก่อนหลัง เหมือนที่ปรากฏในนิตยสาราทุกประการเวลาพูดว่าเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวมีผลทางใจกับแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไรผู้ไม่คาดหมายว่าตนจะต้องเดินทางไกลคงไม่เสียเวลาคิดเตรียมสเสบียงให้เหนื่อยเปล่าแต่แน่นอนผู้ที่รอบครอบและคาดหมายว่าตนอาจต้องเดินทางไกลในเร็ววันนี้คงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนกับการก้านสเสบียงสาคัญติดตัวไว้ก่อนจะสายเกินการ ผมขออัญเชิญพระพุทธพจน์มาเป็นหลักพิจารณาเบื้องต้นดังนี้บุคคลทํากรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั้นแหละเป็นของของเขาและเขาย่อมพาออกกรรมนั้นไปกรรมนั้นย่อมพาเขาไปเหมือนเงาตามตนฉะนั้นทุกคนควรทํากรรมดีสั่งสมไว้สําหรับพบหน้าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า ส่วนทรัพย์สินเงินทองข้าวของที่หวงแหนหรือค่าท่าเบอรืริวานทั้งหลายแม้มีอยู่จริงก็ต้องละทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดสรุปคือสเบียงตามในของหนังสือเล่มนี้ก็คือกรรมดีนั่นเองครับปัญหาคือเรายังเจอคำถามชวนฉงนกันอยู่เรื่อยว่าอย่างไรล่ะที่เป็นกรรมดีในเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยเงื่อนไขและแม้เราเจตนาดี ก็น่าคลางแคลงว่าการกระทำห น, หนึ่งของเราเป็นกรรมดีแน่หรือไม่ในเมื่อผลออกมาเครื่องขาวเครื่องดำอย่างไรชอบกนการจะแสดงกรรมดีอย่างได้ผลจึงมักต้องควบคู่ไปกับการแสดงกรรมชั่วด้วยเพื่อขับเน้นให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนก่อนและตามธรรมชาติของการเรียนรู้เรื่องกรรมวิบากนั้นวิธีหนึ่งที่รวดเร็วคืออาศัยคาถามซึ่งคาใจคนโดยมาก ถ้ารวมคำถามชนิดที่ใครๆก็มีอยู่ในใจกันบ่อยๆมาตอบก็จะมีความน่าสนใจและชักนำมาศึกษาพุทธพจน์ให้ลึกซึ้งได้ง่ายขึ้นเพราะกรรมวิบากเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นคาตากันทุกวินาทีอยู่แล้วแต่เมื่อไม่มีมหาบุรุษเช่นพระพุทธองค์มาตรัสแสดงเหตุผลเชื่อมโยงระหว่างกรรมและวิบากทุกสิ่งก็คล้ายเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือมีมาหิดธิพลังสแดงอนานาจชักใหญ่อยู่เบื้องหลัง โลกยุคก่อนมีคําถามอยู่มากแต่คําตอบมีอยู่น้อยส่วนโลกยุคนี้มีคําตอบอยู่มากเทาว่าน่าแปลกไหมที่คําถามกลับไม่น้อยลงนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกและเริ่มจาความได้มนุษย์ทุกคนจะรู้จักรสชาติของความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นและความอยากได้คําตอบกันทั้งสิ้น พูดง่ายๆคือพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยคำถามในหัวแล้วก็อาจโชคดีกว่าสัตว์อื่นตรงที่มักได้คำตอบมาไขข้อสงสัยกันเสมอเดี๋ยวนี้คำตอบอัญชานฉลาดอย่างที่สุดมีอยู่กลายเกลื่อนแต่น้อยคนจะเฉลียวใจหรือฉุกคิดว่าแล้วคำถามละ่ะฉลาดที่สุดแล้วหรื อ, อยังคำถามที่ฉลาดที่สุด น่าจะหมายถึงการแสวงหาความรู้อันเป็นประโยชน์สูงสุดลองเปรียบเทียบดูระหว่างตกลงหมอนั่นกับใยนั่นเป็นชู้กันหรือเปล่ากับตัวเราเหมาะกับอาชีพแบบไหนแน่นอนทุกคนต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคำถามข้อแรกไร้สาระคำถามข้อหลังสิเร่งด่วนควรได้คำตอบให้เร็วที่สุดเพราะคาถามข้อแรกเป็นเรื่องนอกตัว ขณะที่คำถามข้อหลังนั้นตัวเราเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงแต่แปลกไม่ล่ะในทางปฏิบัติมีคนไม่น้อยที่อยากได้คำตอบจากข้อแรกชนิดเอาเป็นเอาตายทั้งที่รู้แล้วไม่ได้สาระประโยชน์มากไปกว่าเอามาใช้เจาะกันระหว่างเพื่อนสนิทด้วยความสะใจที่เห็นคนอื่นเขาเลวเขาชั่วช้าเขาประพฤติผิดศีลธรรม คำตอบที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากคำถามที่ดีที่สุดขอบอกว่าตราบใดเรายังตั้งข้อสงสัยหรืออยากรู้อยากเห็นตามแรงดันของกิเลสตราบนั้นในหัวเราจะไม่มีคำถามที่ดีที่สุดผุดขึ้นมาเลยน่าฉุกใจไหมว่าขณะนี้อาจมีคำตอบที่ดีที่สุดอยู่ในโลกติดอยู่ที่คำถามในหัวของเรา อาจยังไม่ได้ตั้งขึ้นมาให้ตรงกับคำตอบดังกล่าวเท่านั้นหนังสือเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มนี้บรรจุด้วยคำถามและคำตอบที่จะนำไปสู่คำถามที่ดีที่สุดคือเราจะเอาประโยชน์อันใดติดตัวไปจากโลกมนุษย์ได้บ้างโดยมีบทส่งท้ายไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนเป็นส่วนผนวกคือคำแนะนำตรงๆว่าสเสบียงใดเตรียมง่ายที่สุดและคุ้มค่าที่สุดอีกด้วยครับ หลงชื่อดังตรินธันวาคมพุทธศักราช2547